สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพผมนิกากรณุณชอบเล่าคลิปนี้เราจะไปฟังเรื่องราวของจอร์เข้นะครับเป็นเรื่องราวที่คุณฮันเตอร์กรุณาส่งมาให้จะว่าไปผมจะถ่ายทอดเรื่องของจอร์เข้ทําให้นึกถึงหลานครับคือว่าผมมีหลานอยู่2คนครับชื่อพีกับเตมที่นึกถึงหลานก็เพราะว่าความเชื่อของเด็กบางครั้งก็เปลี่ยนแปลงได้ยากเหมือนกันครับหมายความว่าก่อนที่เขาจะเข้าโรงเรียนเขาก็เชื่อเราแหละ พอเขาได้เข้าโรงเรียนแล้วเขามีสังคมเล็กๆเกิดขึ้นเขาก็เชื่อเพื่อนซึ่งความจริงก็ไม่ผิดครับแต่มันก็มีเรื่องขำขันเกิดขึ้นได้ยกตัวอย่างเช่นเมื่อตอนที่น้องพีอายุได้ประมาณ 3-4 ขวบผมจะพาเขาไปลอยกระทงเขาก็บอกว่าลอยกระทงอะไรเขามีแต่ลอยกระทวงผมก็บอกกลับไปว่าไม่ใช่มันคือลอยกระทงเขาก็เถียงคอแข็งเลยนะเขาบอกว่าเพื่อนที่โรงเรียนบอกว่าลอยกระทวงนั่นก็คือหนึ่งในเรื่องฮา เมื่อวันเวลาผ่านไปเขามีน้องสาวขึ้นมาคนนึงชื่อว่าเตเมหรือเมื่อเตเมอายุประมาณ3ามขวบได้ผมถามหลานว่าไปเที่ยวสวนสัตว์กันไหมน้องเตเมก็ตอบว่าไม่ไปหรอกเตเมกลัวจุระเคนแล้วก็ยังมีหมาจิ้งจกด้วยผมก็บอกไปว่าไม่มีหรอกจูระเคนะ่ะมีแต่จระเคนหมาจิ้งจกด้วยไม่ใช่หมาจิ้งจกแล้วผมก็โดนสายตาพิาจฉาดจ้องจนได้สายตาของเด็กที่ใส่ซื้อจ้องผมเขม็งเลยประมาณว่า เฮ้ย hey, เป็นอะไรบ้าหรือเปล่าวะมองนิ่งๆแล้วก็สายหน้าไปมาแล้วก็บอกว่านะกรอนะ่ะบ้าแล้วจัวรเคเขาเรียกว่าจัวระเคแล้วก็หมาจิ้งจกผมก็บอกว่าไม่ใช่เขาก็ยิ้มแล้วก็ใสยหน้าให้เหมือนกับว่าผมนั่นแหละที่ผิดและเขาก็ไม่ได้ถือสาผมเลยโหนรับเป็นวักเนเวนผมก็ขำครับแล้วก็ได้แต่หวังว่าสักวันหนึ่งเขาจะเข้าใจได้ถูกต้องเอาล่ะครับนอกเรื่องกันมาก็เยอะแล้วไปเข้าเรื่องกันเลยดีกว่า ไปฟังเรื่องราวของจูเลเคเอ้ยจรเลเคของคุณฮันเตอร์กันต่อ ด, ดีกว่าครับโดยคุณฮันเตอร์ให้ชื่อเรื่องนี้ว่าไอ้ด่างแล้วเรื่องราวก็มีอยู่ว่าสวัสดีครับไอ้ด่างที่ผมจะเล่านี้ไม่ใช่สุนัขนะครับหมายถึงจรเลเคที่ตาของผมได้แถยทอดเรื่องราวให้ผมฟังตอนที่พิเยมท่านอยู่ที่โรงพยาบาลตอนนั้นท่านป่วยผมก็ไปนอนเฝ้าไข้ท่านขณะว่าท่านป่วยท่านก็จะกลัวว่าผมจะเหงาและท่านก็รู้ด้วยว่าผมเป็นคนที่ชอบเรื่องราวลี้ลับ ท่านจริงได้หาเรื่องราวมาเล่าให้ผมฟังและเรื่องราวเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับประสบการณ์ที่ท่านได้ประสบพบเจอมากับตัวท่านเองในตอนสมัยที่ท่านยังเป็นเด็กคือต้องย้อนวันเวลากลับไปเมื่อประมาณ60กว่าปีที่แล้วและปัจจุบันนี้ตัวท่านก็ได้เสียชีวิตจากไปเป็นเวลาหนึ่งเดือนแล้วนะครับด้วยโรคชราผมจึงไม่สามารถถามท่านได้ในสิ่งที่ยังสงสัยและก็รู้ยังไม่หมดเกี่ยวกับเรื่องราวเรื่องนี้ยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับ ผมก็จะขอถ่ายทอดเท่าที่ผมรู้มาจากท่านกันแล้วกันครับเอาล่ะครับอย่าเสียเวลากันเลยครับมาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าท่านเล่าว่าน้ำลำห้วยยางเชอซึ่งเป็นลำห้วยที่เชื่อมต่อกับแม่น้ำชีณนะที่นั้นมีจระเข้ที่ชื่อว่าอ้ด่างฟังจากชื่อตัวมันก็น่าจะด่างเหมือนชื่อนั่นแหละไอด้ด่าอาศัยอยู่ที่ลำห้วยอยู่กับคู่ของมันที่มีชื่อว่าอีดําน้อยตาบอกว่าไอ้ด่างถือว่าเป็นจระเข้ที่ตัวใหญ่ สุด ว, ว่ามันจะตัวใหญ่แค่ไหนนั้นผมก็ไม่รู้ลืมถามตาแล้วตาก็ยังบอกอีกว่าไอ้ด่างมันมีบริวารเป็นผีและผีที่นั่นก็จะอยู่กันเป็นหมู่บ้านเลยนะเพราะว่าวันดีคืนดีคนที่ไปหาปลาก็จะเห็นว่าที่นั่นมีหมู่บ้านเห็นว่ามีผุ้คลอยู่อาศัยแบบปกติกันเลยแหละมีทั้งลูกเล็กเด็กแดงมีสุนัขและยังมีวัวมีควายเป็นสัตว์เลี้ยงอาศัยอยู่ด้วยมันไม่ใช่เมืองลับแลหรอผมถามตาตาท่านก็บอกว่า มไม่ใช่ไม่ใช่มันเป็นเมืองผีมันเป็นภพซ้อนกันอยู่งั้นไอ้ด่างก็เป็นแบบชัลวันเหรอสามารถแปลงกายเป็นมนุษย์ได้ถึงได้เป็นหัวหน้าพูดผีพวกนั้นําถามย้ำไปอีกอันนี้ตาก็ไม่รู้นะไม่มีใครเคยเห็นว่ามันแปลงกายได้ไหมรู้แต่ว่ามันขุดรู้อยู่คางล้ำห้วยและรูของมันก็ใหญ่สามารถเข้าไปได้ทั้งตัวเลยนะ <c oughs> ตาขาแล้วตาก็ยังพูดตอไปอีกว่า แต่มันก็จะมีผู้หมอจะระเขมาล้องดีกับไอ้ด่างเสมอนะแต่ก็ไม่มีใครสามารถปรับมันลงได้เลยและตัวก็มันเองก็ไม่เคยทําอะไรใครไม่เคยทําร้ายใครนอกจากว่าจะมีใครก็ไปทําร้ายมันก่อนวันดีคืนดีมันก็จะมาปรากฏตัวให้ชาวบ้านเห็นกันอยู่บ่อยๆผมได้ฟังก็เลยถามตาออกไปว่าแล้วคนที่เขาได้เห็นเป็นยังไงครับเขากลัวมันไหมตาก็ตอบกลับมาว่าจะมีกลัวได้ยังไงล่ะตัวมันออกจะใหญ่ขนาดนั้น ใครได้เห็นกระต้องเยว่ก็ตดหายไปตามกันแหละแล้วเวลาที่ใครจะไปหาปลาหากินอยู่กับน้นะําน่ะก็ต้องมีการบอกไอ้ด่างให้รู้ก่อนนะถึงจะสามารถไปหาปลาที่ลาห้วยนั้นได้ก็เป็นอยู่อย่างนี้เลยไปแล้วทุกวันนี้ไอ้ด่างมันหายไปไหนมันยังอยู่ไหมครับถามแล้วตาก็บอกว่าอืมมีอยู่วันหนึ่งมีหมอจระเข้คนนึงมาจากหมู่บ้านที่อยู่อีกด้านฝั่งห้วยตรงกันข้ามกับหมู่บ้านเรา หมอจระเข้คนนั้นถาทางจะเก่งวิชาอาคมขลังมากเลยทีเดียวถึงได้รู้ถึงเวลาที่อ้ด่างมันไม่อยู่และออกไปหากินหมอจระเข้คนนั้นก็เลือกเวลานั้นแหละทําพิธีแอบเข้าไปจับอีดำน้อยเมียของไอ้ดางไปด้วยอาคมที่แข็งกล้าทําให้เหล่าผีบริวารของไอ้ดางนั้นไม่สามารถทําอะไรหมอจระเข้คนนั้นได้เลยเมื่อจับได้เรียบร้อยหมอจระเข้ก็นำไอีดำน้อยเมียของอ้ด่างกลับไปที่หมู่บ้าน เมื่อไปถึงก็ได้ทำการชำระเนื้อจระเข้คู่ของไอ้ด่างเป็นอาหารกินกันไปครึ่งหมู่บ้านและเมื่อไอ้ด่างกลับมาไปเจอคู่ของมันมันได้เห็นบริวานผีของมันต่างร้องไห้คร่ำครวญมันจึงได้รู้ว่าไอ้ดำน้อยคู่ของมันได้โดนหมอจระเข้ปราบลงแล้วด้วยความแค้นไอ้ด่างก็ได้สัาแดงเดชโดยการตั้งจิตคิดพยาบาทมาตรายปกับพลังที่แข็งกล้าจากตบ้ของมัน ส่งตรงไปยังคนทั้งหมดที่กินเนื้ออีดาน้อยขู่ของมันนั้นให้นอนไหลตายกันไปทั้งหมดทุกคนที่กินเนื้ออีดาน้อยไม่มีใครรอดไม่เว้นแม้แต่มาที่จะของเอาเนื้ออีดาน้อยให้มันกินมันก็นอนไหลตายไป ต, ตามๆกันด้วยอืมเอาเป็นว่าตายกันครึ่งหมู่บ้านนั่นแหละและหลังจากนั้นอีด่างมันก็หายไปหายไปแบบไม่ได้ข่าวมันอีกเลยคงเหลือแต่บริวารผีของมัน ที่วันดีคืนดีชาวบ้านก็มกักจะได้ยินเสียงคนรำไห้คร่ำครวญทําให้บรรยากาศแถวนั้นหลอนไปเลยแล้วเพราะเสียงชวนหลอนที่ดังแว่วมาให้ได้ยินกันเรื่อยทำให้ต่อมาบริเวณลำห้วยแถวนั้นจึงถูกเรียกขนานน้ําว่าวังแซววังแซวในที่นี้เป็นภาษาอีสานนะครับหมายถึงวังที่มีเสียงคนร้องไห้เต็มไปหมดแต่ปัจจุบันนี้มันก็เงียบหายไปหมดแล้วและในานาันทีคนที่ไปหาอยู่หากินแถวลําห้วยวังแซว ก็จะได้เห็นลูกแก้วขนาดเท่ากำปั้นสีเขียวสีแดงบ้างลอยอยู่บริเวณนั้นซึ่งผมก็หารู้ไม่ว่ามันคืออะไรบางคนก็ว่ากระสือหรือผีโป่งตามความเชื่อของแต่ละคนไปแต่ผมคิดว่าลูกแก้วเหล่านั้นมันน่าจะเป็นบริวารของไอ้ดางที่ยังหลงเหลืออยู่และด้วยความสงสัยอีกเช่นเดิมผมจึงได้ถามตาว่าตาครับมันใช่ตัวเดียวกันกับไอ้ดางบางมุดไหมด่างบางมุดไหนตาไม่รู้จักหรอกแต่ไอ้ดางตัวนี้ที่ตาเล่ามันมาจากกุดน้ำใสนะ ไอ้ด่างบังมุดจระเขกินคนที่เป็นข่าวหงตาทุกวันนี้ว่ากันว่ายังไม่มีใครจับมันได้มันก็หายไปเฉยๆเหมือนกันหรือว่ามันจะโกรธมนุษย์ที่ฆ่าเมียมันมันเลยหนีไปที่บังมุดแล้วก็ดุร้ายเป็นไปได้ไม่ตาผมว่าตาได้ฟังก็หัวเราะแล้วบอกว่า <c oughs> ตาก็เมรู้และนี่ก็คือทั้งหมดที่ตาเล่าให้ฟังครับฟังกันสนุกๆ น, นะครับขอให้ทุกคนโชคดีขอบคุณมากครับเอ๊มันจะสั้นไปเนาะไปฟังกันอีกเรื่องดีกว่าครับ เป็นเรื่องราวของพี่เถาน้องเทคหูตั้งเดดด็อกครับในวงเล็บดึกแล้วเล่าเรื่องผีได้และเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เจ้านายของผมฟังมาจากรุ่นพี่อีกทีนึงแกถ่ายทอดให้ฟังว่าผมมีรุ่นพี่อยู่ที่มหาวิทยาลัยอยู่คนนึงซึ่งก็เรียนจบแล้วและทํางานแล้วชื่อว่าพิกิจพิกิจคนนี้แกมีแฟนแล้วแต่แกก็แอบมีกิ๊กด้วย แด้วยวิทยายุที่แนบเนียนแต่ไม่ควรเล่นแบบทําให้ตัวแกนั้นสามารถครบกับกิ๊กของแกมาได้เกือบจะปีหนึ่งแล้วโดยที่แฟนแกไม่รู้เลยถือได้ว่าเป็นผู้เยี่ยมยุทธแล้ววันหนึ่งแกก็เดินเข้ามาบอกกับผมว่าได้ซื้อบ้านเพื่ออยู่กับกิ๊กอีกหลังหนึ่งซึ่งอยู่ใกล้กับที่ทํางานด้วยพอผมได้ฟังก็เออเอาหัวหมกไปตามเรื่องก็เพราะว่าเรื่องมันไม่เกี่ยวอะไรกับผมเลยและผมกับแกก็ไม่ได้เจอกันอีกจนเมื่ออาทิตย์ต่อมาผมก็ได้เจอกับแกแกเดินหน้าโสมเป็นศพเข้ามาหา ด้วยความแปลกใจผมก็เลยถามแกไปว่าเป็นอะไรวะพี่บ้าเอ้ยตั้งแต่กูเข้าไปอยู่บ้านหลังนั้นกับกิ๊กน่ะกูแทบไม่ได้นอนเลยสักคืนว่ะแกตอบผมได้ฟังก็เลยยิ้มยิมแล้วก็แซวแกไปว่าอย่าหักโหมมากนะพี่เดี๋ยวเขาผลิตหมวกกันน็อกไม่ทันแกหันกลับมามองหน้าผมยังคึงเครืองแล้วก็ตะคอกว่าไม่ใี่อย่างที่เหมือนคิดเว้ยไอ้บ้ากูเจอผีเว้ยผมสะดุง้งแล้วก็ถามแกไปว่าบ้านผีสิงเหรอไหนเล่ามาสิแล้วกแกก็เล่าว่า นะซื้อบ้านหลังนั้นมาในราคาค่อนข้างถูกเว้ยไม่ได้รู้สึกเอะใจอะไรเลยสักนิดพระบ้านหลังนี้สวยมากมีที่จอดรถใกล้ห้างไปทํางานก็สะดวกสบายกูซื้อสดเลยด้วยก็จะอยู่กับกิ๊กขี่สุขีสักหน่อยแต่พอเข้านอนคืนแรกก็เจอดีเลยว่าพอกิ๊กกูไปอาบน้นะําน่ะสักพักเจ้านางก็ร้องกรีดลั่ น, ลนเลยกูตกใจเสียงร้องก็รีบวิ่งไปดูแล้วมันนางก็วิ่งออกมาแกผ้าออกมาเลยไม่มีผ้าผ่อนติดตัวเลยสักชิ้นเดียว หรือผิวที่ขาวจัว๊วคุณที่ดีดุดนังแบบผมฟังไปก็พยายามจินตนาการตามไปด้วยหัวผมลืมตัวทำหน้าเคลิบเคลิม้มพี่กิตก็เลยโบกหัวเป็นสติหนึ่งทีเอาเป็นว่าทางที่ดีเราข้ามชุดนี้ไปกันเลยดีกว่าเมื่อออกไปจากห้องสุขาได้กิตแกก็บอกว่าพี่พี่หนูเห็นทุตแกผิวดำนะตอนที่หนูยืนส่องกระจกหน้าตาคล้ายแขกนะพวกหัวผมชุดขาวด้วยไม่รู้มาได้ยังไงไมายืนอยู่ข้างหลังหนูแล้วก็จ้องหนูเหมือนว่กโกรธมากด้วย ไม่เอาแล้วหนูไม่อยู่แล้วหนูจะกลับบ้านพี่กิจก็ได้แต่ปลอบแฟนปรากฏว่าคืนนั้นไม่ว่าจะปลอบโยนอย่างไรก็ไม่เป็นผลกิจแกก็เลยขอตัวกลับบ้านไปนอนที่บ้านตัวเองทีนี้พี่กิจก็เลยเคว้งคว้างประมาณว่าวิมาน ล, ล่มก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรได้ก็เลยปิดไฟนอนและเมื่อแกดับไฟนอนไปได้สักพักนึงกันเมื่อฟุ้ ง, งเคลิมได้ที่ตัวแกก็เจอเข้าบ้างแกว่าขณะที่แกนอนเพลินอยู่นั้นอยู่ๆก็มีอาการดึดอัดขึ้นมา รู้สึกตัวตื่นขึ้นแต่ก็ขยับไม่ค่อยได้เมื่อเหลืมตาตื่นขึ้นมาก็สัมผัสได้ถึงบรรยากาศที่วังเวงอยู่รอบกายเอ๊ะมันอะไรเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกูก็พยายามดินด่นๆนะแต่มันดิ่นไม่เคยออกว่าห้องมันก็เป็นมืดด้วยกูก็พยายามมองไปรอบๆว่าแล้วมึงเชื่อไหมหู ก, กูเจออะไรเจออะไรล่ะผมรีบถามแกกูเจอผีวะ่ะผีแขกแกผูกหัวมายืนชี้หน้ากูอยู่ตรงปลายเตียงแล้วก็ยังผูดเสียงอาคาตใส่กูด้วยมึง ออกไปจากบ้านหลังนี้ซะกูไม่เห็นมึงอยู่ถ้ามึงยังดื้อดานอยู่กูจะเอามึงถึงตายแล้หลังจากนั้นมาพี่กิ๊กก็แทบไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยเพราะแกต้องเจอกับผีแขกตนนั้นทุกวันที่สําคัญกิ๊กแกก็ไม่ยอมมานอนด้วยอีกจนสภาพแกโสมอย่างที่เห็นนี่แหละแล้วทาไมพี่ไม่เอาพระมาทําพิธีละ่ะทอมถามแกพี่กิ๊ก็ตอบว่ากูนี่ยทำ ท, ทุกอย่างแล้วเว้ยทั้งล้อมสายศีลแปะยันเจิมประตูเอาพระมาตั้งอยู่เต็มบ้าน จนบ้านกูจะกลายเป็นโกดังเก็บพระอยู่แล้วล่าสุดกูก็นิมนต์พระมาพรมน้ํามนต์นะเว้ยแต่มันเฮี้ยนจริงๆปรากฏตัวออกมาเตะขันน้ํามนต์กระจายเอาสะพระชีวัรเปลวกลับวัดไปเลยผมก็ได้แต่พยักหน้างึ่งงึกรับฟังสงสัยเพราะว่ามันเป็นผีแขกพระก็เลยทำอะไรมันไม่ได้ผมพูดตามความคิดไปอย่างนั้นเองแต่พอพิกิดตฟังจบแกก็นิ่งเงียบไปครู่หนึ่งเหมือนว่าแกนึกอะไรขึ้นมาได้ฉับพานแกก็ยืนขึ้นแล้วร้องลั่นใช่แล้วฮใช่แล้วมันเป็นผีแขก กูลืมไปสนิทเลยว่าขอบใจมึงมากนะพูดจบแกก็รีวิ่งออกไปปล่อยให้ผมยืนงงอยู่คนเดียวคิดว่าแกเป็นบ้าอะไรนะจนเวลาผ่านไปจนถึงวันที่ต่อ ม, มาผมก็เจอแกพิกิดอีกครั้งหนึ่งพิกิด ม, มาหาผมที่คณนะด้วยหน้าตาที่ยิ้มแย้มแจ่มใสผมเดาออกเลยว่าแกไล่ผีตัว น, นั้นสำเร็จแล้วกูลืมไปเลยว่ามันเป็นผีแขกพระก็ไล่มันไม่ได้เพราะว่ามันคนศาสนากันแกว่าแล้วพี่ทำยังไงผมถามแก พีกิตยิ้อย่างมีเลสไนและแกก็บอกว่าพอมึงบอกกูว่ามันเป็นผีแขกทีนี้ก็ง่ายเลยกูก็ไปซื้อน้ํามันหมูมาฉีดรถบ้านเลยสิวะฉีดทุกซอกทุกมุมแม้แต่ในโถส้วบยังยังไม่พอเสร็จแล้วกูก็ซื้อเครื่องแต่งบ้านที่เป็นหมูมาวางไว้ทุกที่ผนังด้านไหนวางก็ซื้อโปสเตอร์รูปหมูมาแปะขนาดกิตกูนะกูยังให้ใส่เสื้อที่มีรูปหมูเลยว่า <laughs> ฮผมได้ฟังแล้วก็กลือ น, น้ําลายพี่กิตนี่สุดยอดคิดนอกกรอบจริงๆสมที่แกเป็นกราฟิก ผมก็เลยถามแกต่อไปว่าแล้วพี่ยังเจอผีอยู่ไหมล่ะเจอว่ะแต่มาเข้าฝันนะมาขอร้องให้กูเอาหมูออกไปจากบ้านเมื่ออ่อนว้อนกราบกร้านกูประหลุกประหลุกเลยแต่ในฝันกูกระทําหูโทลมนั่นแหละแล้วก็บอกไม่กลับไปว่าทีใครทีมันโวยจนบึกขึ้นก็ยังฝันเห็นมันอีกนะมันก็มาอ่อนว้อนกูเหมือนเดิมแหละแต่ไม่ว่าจะไงยังไงก็ไม่ได้ผลกูไม่ยอมหรอกสงสัยมันโมโหว่ะมันก็เลยชี้หน้ากูแล้วก็บอกว่าได้ได้มึงไม่ฟังกูใช่ไหม คอยดูกูจะเอาคืนนี่มึงเจ็บแสบสุดๆเลย<น>กูก็เลยบอกมันไปว่าเออกูจะคอยดูอ่ะฮฮแล้วหวันหลังจากนั้นที่แกคุยกับผมก็มีเพื่อนพิกิทโทรมาบอกผมว่าพิกิทเข้าโรงพยาบาลอาการเป็นตายเท่ากันผมได้ฟังก็ตกใจมากลเลยรียบไปดูแกพอไปถึงก็เห็นสภาพของพิกิทบอกได้คําเดียวผมนึกว่าแกตายแล้วแล้วตอนนี้หมอก็จับแกทํามัมมี่อยู่เพราะตัวแกถูกพันผ้าขาวไปทั้งตัว แถมตามคอแขนขาก็ยังมีเหล็กดามไว้อีกหมอบอกว่ากระดูกของแกหักเกือบทุกชิ้นกว่าจะหายเป็นปกติได้ก็คงใช้เวลาเป็นเปนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องอาศัยกายภาพบำบัดอีกด้วยความร้อนใจและโกรธผมเลยถามพิกิจว่าพี่ไอ้ผีตัว น, นั้นใช่ไหมพิกิจก็ตอบด้วยเรี่ยวแรงที่หลงเหลืออยู่ว่าเออมันเล่นแรงเลยว่ามันเอากูเกือบตายเลยโห oh, ชิหายถ้ามันจะเห็นจริงๆมันทายังไงอะผมถามกขซ้าไป และนี่ก็คือเรื่องราวที่แกเล่าให้ฟังแกว่าเมื่อวานซืนแกกำลังเล่นปูไตอยู่กับกิกในบ้านกำลังเพลิดเพลิอนอยู่นั่นเองและทันใด น, นั้นโครมประตูบ้านก็กระเด็นเข้ามาคล้ายกับถูกถีบอย่างแรงปรากฏร่างดําทะมึนร่างหนึ่งยืนจังก้าอยู่ที่หน้าประตูร่างนั้นมือไม้กลางร่ายอย่างประสงค์ร้ายมีเสียงลมหายใจดังฟูดฟาดเรากับกำลังโกรธแค้นสุดขีดทันทีที่เห็นร่างนั้นเต็มๆพิกกิตก็หัวใจแทบจะหยุดเต้น เพราะว่าร่างนั้นร่างนั้นก็คือแฟนของแกนั่นเองและวินาทีนั้นก่อนที่พิกิจจะทันรู้ตัวกิจแกก็กระโดดออกทางหน้าต่างหนีไปแล้วปล่อยให้แกต้องเดียวดายไปชิญหน้าอยู่กับบรรทุยพียงลําพั ง, พงแกทําได้แค่เพียงยิม้มแห้งๆเออคาถามแบบลงตกมากกว่าจะเอาคําตอบว่าตัวเองหาข้อเจอได้ยังไงอะ่ะครอบเสียงหักนิ้วเหมือนหนังการ์ตูนเรื่องมัดเพสคาดาวเหนือตอนที่คินชิโร่จะจี้หัวใครให้ระเบิดสักคนแฟนพิกิจย่างสามขุมเข้ามาแล้วก็ตอบว่า มีผีแขกแก่ๆต้นนึงมันไปเข้าฝันบอกกูว่ามึงน่ยพากิกมาโกกทิ่นี่แถมมันยังแช่โลเกชันในกูเสร็จสรรตอนแรกกูก็คิดว่าแขกฝันปแปลกๆไปแต่พอกูมาดูก็ได้เห็นขาหนังคาเขานี่แหละอย่าอยู่เลยมึงแล้วหลังจากนั้นพกิกก็ได้มาโฮมสเตย์ในห้องไอซีนี่แหละเป็นยังไงบ้างครับเรื่องผีของเจ้านายผมน่ากลัวไหมครับผมและ2เรื่องราวของคลิปนี้ก็จบลงครับข อ, ขอบคุณคุณทันเต้อ แล้ก็พี่เถาน้องเทคกูตั้งเดอด็อกมากนะครับที่ได้กรุณาแบ่งปันเรื่องราวมาให้ถ่ายทอดแล้วก็เรื่องราวทุกเรื่องราวที่ผมได้ถ่ายทอดไปมีเจตนาเพื่อสร้างความบันเทิงครับไม่ได้มีเจตนาเพื่อจะลบหลู่ใครหรือว่าความเชื่อของใครขอทุกท่านมีความสุขจากการรับฟังนะครับแล้วก็ยังคงส่งเรื่องราวมาให้ถ่ายทอดได้เรื่อยๆนะครับสําหรับท่านที่ส่งมาแล้วใจเย็นๆนะครับผมจะถ่ายทอดตามลําดับนะครับแล้วก็เช่นเดิมครับขอให้ทุกท่านร่ํารวยอุดมสมบูรณ์ สมหวังดังตั้งใจทุกประการในทางที่ถูกที่ชอบอุดมด้วยสติปัญญายในการดำรงชีวิตเป็นที่รักของคนที่เรารักและรักเราขอบคุณมากครับสวัสดีครับ